สมาธิไม่ใช่เรื่องไกลตัวสมาธิคือความมีสติรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนเอาสติเป็นจุดยืนเราตั้งใจฝึกที่แรกมันอาจจะฝืนธรรมชาติของความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หน่อยแต่เราพยายามฝึกไปฝึกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปเอง เราจะตั้งใจก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามมันก็มีพร้อมสติคือความรู้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆบางทีนอนหลับไปแล้วมันก็ยังรู้สึกตัวอยู่แต่มันรู้สึกเฉพาะภายในจิตเรื่องข้างนอกเนี่ยมันไม่รับรู้ คนทำสมาธิเก่งสมาธิมั่นคงสติเข้มแข็งจะนอนไม่หลับตลอดชีวิตเพราะพอหลับลงไปแล้วจิตเข้าสมาธิมันก็รู้เฉพาะภายในจิตบางทีอารมณ์อันใดค้างอยู่เราแก้ปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆซึ่งจะมีลักษณะเสมือนหนึ่งว่านอนหลับแล้วฝันไป แต่ว่าแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราจะรู้สึกว่าเรามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาคนที่เคยผ่านการปฏิบัติสมาธิมาแล้วเนี่ยคือคนที่เรียนจบปริญญามาแล้วแต่เมื่อมาเจอพระเข้าพระถามว่านั่งสมาธิเป็นไหม เราไม่ได้นั่งสมาธิแบบที่พระท่านเทศสอนเราเราก็ปฏิเสธว่าไม่เคยนั่งสมาธิแต่แท้ที่จริงพวกเราทาสมาธิมาแล้วแล้วพระผู้ที่ท่านสอนสมาธิท่านก็ไม่ยอมรับว่าเราปฏิบัติสมาธิเพราะสมาธิของท่านมีแต่พุทโธสัมมาอารหังยุบหนอพองหนอเท่านั้นแต่ใครจะไปเอาอารมณ์อย่างอื่นนี่ ทันไม่รับผิดชอบคนเราเนี่ยมีเรื่องชีวิตประจำวันมีการทำการพูดการคิดทำพูดคิดถ้าเราฝึกสติให้รู้ตามสิ่งที่เราทำเราพูดเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาแม้ในคำภีพระไตรปิฎกก็มีหลักฐานอ้างอิง คนทอหูนั่งทอหูอยู่ทั้งวันกำหนดสติตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปพอทอหูเสร็จสอดกระสวยอันสุดท้ายการทอหูจบลงเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าการทอหูยังมีจุดจบได้ชีวิตของเราก็มีวันที่จะต้องสิ้นสุดเหมือนกันมันเริ่มต้นแล้วก็ทรงอยู่ในที่สุดก็แตกได้ปัญญาเพียงแค่นี้ ได้สำเร็จอารหันแล้วเรื่องอื่นๆก็ยังมีอีกช่างปัน้นหมอเอาดินเหนียวมาหลอมให้มันเข้ากันดีแล้วมาปั้นหม้อตกแต่งเสร็จแล้วก็มาเล็งดูตรวจสอบว่ามันบกพร่องตรงไหนแล้วก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าดินเหนียวๆ เ, เราเอามาตกแต่งเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาเป็นภาชนะ มันก็ยังมีลักษณะสวยงามเป็นที่ถูกใจเราได้กายวาจาและใจเราเนี่ยเราจะแต่งให้มันดีไม่ได้เหรอคิดเพียงแค่นั้นใจวู้ไปได้สำเร็จเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปถ้าใครจะถามว่าอยากปฏิบัติสมาธิทำอย่างไรคำตอบก็คือว่า ปฏิบัติสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเราฝึกสติตามรู้กับสิ่งเหล่านี้ในที่สุดเราก็ต้องได้สมาธิได้สติได้ปัญญา